ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอสัมมาทิฏฐิสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการแสดงของพระสารีบุตรเถระ ตามคำถามของพระภิกษุซึ่งมาประชุมกันประเด็นปัญหาก็แตกออกไปเรื่อยๆคือไม่เข้าใจในจุดใดท่านก็อธิบายจนเข้าใจมันก็เกิดไม่เข้าใจในจุดอื่นแล้วก็มีสักถามเรื่อยมาวันก่อนได้พูดถึงประเด็นของทุกข์ภัยที่บุคคลต้องประสบในอบาย ค็ในในนรกโดยเฉพาะอย่างนรกกับเรดเนี่ยมันมีทุกทรมานที่ค่อนข้างรุนแรงสัตว์เดรัจฉานบางชนิดแล้วก็พวกอสุรกายก็ลดลงมาแต่ว่านรกในสาหัสที่สุดรองลงมาก็เป็นเปรตเปรตบางชนิดก็อาจจะดีกว่าแต่สัตว์นรก เพราะว่าเป็นเปรตประเภทที่อยู่วิมานเขาเรียกว่าเวมาเนกเปรตเช่นพระยายมเนี่ยมีอยู่รักระละเป็นเปรตที่อยู่วิมานขก็แสดงว่าพวกยมมรุทธ์ทั้งหลายก็คงอยู่ประเภทเดียวกันแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้แสดงไว้ทีนี้ในท่านในในรกเนี่ยมีพระพุทธเจ้าแสดงเองเนะครับ พระเจ้าแสดงไว้ที่เกี่ยวกับทันซึ่งเป็นมาตรการในการลงโทษคนซึ่งตกนรกลักษณะของทันในรุนแรงแนในประัติศาสตร์ของอารยันเคยมีการนำเอาทันจากนรกทั้งหมดที่ได้ศึกษาเราเรียนมา มาใช้เป็นมาตรการในการลงโทษคนที่ต้องโทษด้วยวิธีการต่างๆในยุคสมัยพระพุทธเจ้าในที่ปรากฏมากก็คือเสียบด้วยหลาวเหล็กบางทีก็เสียบเป็นจุดๆก็คล้ายๆกับพวกตึงพระเยซูที่ไม้การเขนบางทีก็ตึงหลายจุดบางทีก็ตึงไม่กี่จุด แต่ก็นึกดูกันแล้วกันนะฮะว่าเอาสักแผลเดียวก็สาหัสแล้วตอนต้นหล่อ น, นี้ท่านก็นมาที่บายเปรียบเทียบให้เห็นว่าการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นการอธิบายว่าในเวลาเช้าชายคนนั้นเดือดร้อนเพราะถูกหอกร้อยเล่มแล้วก็หอกจํานวนนั้น แทงร่างกายเขาให้เป็นบาดแผลลึกถึงบาดแผลถึงร้อยแผลไม่หยุดหยอนในการต่อมาก็ถูกแทงด้วยหอกอีก200อยเล่มซ้ำอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นทั่วร่างจึงพุนไปหมดคือเรานึกภาพแล้วไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงแต่ประเด็นตรงนี้มันมันไปตรงกับประเด็นที่เรียกว่ากรรมปติสารโนคือมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย การมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงมันไว้มันอยู่ก็มันได้เช่นว่าสัตว์บางชนิดที่อยู่ในน้ําเนี่ยมันก็อยู่ใต้มหาสมุทรไม่ได้ขึ้นมาหายใจข้างบนเดี่ยวมันก็อยู่ได้เพราะกำเนิดมันเป็นอย่างนั้นการมันก็หล่อเลี้ยงมันไว้หรือที่เราดูตัวอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยเช่นพวกพืชชนิดที่เผ็ดๆร้อนๆอ่ะเช่นพวกพริก มันก็มีมีหนอนที่เกิดขึ้นในพริกก็จะเริญเติบโตก็กินพริกจนปลูกพุนไปหมดเลยมันอยู่ได้แต่ว่าหนอนพวกนี้สมมุติว่าเอาไปใส่ในในเนื้อปลาเนะี่ยในเนื้อปลาหรือในเนื้อสัตว์อย่างอื่นมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ากําเนิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น กรรมที่จะไปหล่อเลี้ยงมันอย่างในในสภาพตรงนั้นมันจึงไม่มีแล้วเราก็เห็นอะไรเยอะในโลกมนุษย์เนี่ยเเ อ, อเช่นว่าเด็กเด็กที่คลอดในคันตั้งแต่ถือไปสนทิมามันก็ไม่สนุกหรอกแต่ว่าอยู่ได้หมายความว่ากรรมเนิดก็เป็นอย่างนั้นกรรมจึงหล่อเลี้ยงเขาไว้แต่พอถึงจุดที่จะครอด นั่นก็ต้องคลอดอ่ะจะเลยไปไม่กี่วันนะได้แต่ว่าเลยไปมากมันก็ไม่ได้เว้นไว้แต่กรรมที่หล่อเลี้ยงอีกแหละมีพระเทระของเรารูปหนึ่งเป็นพระอราหันต์ที่มีชื่อเสียงมากก็คือพระสีวลีเทระพระสีวลีนั้นเป็นพระโปรสของพระนางสุปวาสา อยู่ในคันพระชนีเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วคันหลงอยู่อีกเจ็ดวันนั่นอยู่ได้ยังไงแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระเทวีนั้นประสูติพระอรรถง่ายแล้วประสบความสวัสดีเ้วยวกันทั้งคู่พระบทประสูตรออกมามันก็บอกว่าเหมือนกับน้ำไหลออกมาจากกระออมไม่รู้สึกปวดทุกข์ทรมานอะไรเลย แต่ว่าอย่าลืมนะฮะเด็กเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับคันหลงอีกเจ็ดวันเด็กขนาดนี้เรียนหนังสือแล้วนะแต่นี้คือความมหาัศจรรย์ของกรรมที่เราหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าการณีศึกษาในในกรณีเนี้ยมันมีไม่มากมีตัวอย่างก็ไม่มากตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันว่า ว่าถูกแทงสรุปแล้วว่าถูกตรึงด้วยหอกถึงสามร้อยเล่มสา0ร้อยเล่มนี่ก็ไม่น่าจะรอดหรอกถ้าเรามองด้วยสามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยมันจะไม่รอดแต่ว่าด้วยกระบวนการของกรรมคือกฎแห่งกรรมเนี่ยกรรมมันจะหล่อเลี้ยงรักษาเอาไว้ได้อยู่ได้ เพราพวนี้ตายแล้วพื้นตายแล้วพื้นนะไม่ใช่ตายแล้วก็เป็นขึ้นมาตายแล้วก็เป็นขึ้นมาก็ถึงตายอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเขาก็เป็นขึ้นมาจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรออกไปเยอะทีนีเ้เหตุการณ์เหล่านั้นท่านบอกว่าไปสนชีเนี่ยคือการถือไปสนชิหมายความมาตายปั๊บเกิดปุ๊บนะฮะเกิดเกิดปุ๊บ ในขันในไข่ในสิ่งสกปรกหรือเกิดโดยผุดขึ้นก็ดาก็ตามมันเหมือนกระหอกเวลาที่หอกทิ่มแทงการเกิดแห่งขันเหมือนกับ ก, การเกิดบาดแผลการเกิดขึ้นแห่งทุกนาๆนาชนิดที่บุคคลประสบกือเราอย่าลืมว่าเราเรามีขันห้าการทุกชีวิตก็ มันมีวัฏตะเป็นมูลในขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนการเกิดทุกขเวทานาเพราะเกิดบาดแผลคือวัฏตะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมีกิเลสสวัตคือมีกิเลสทั้งหลายนะพวกง่ะกิเลสทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กรรมวัฏเพราะว่าคนจะทําดีทำชั่วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากกิเลส หมายความว่าทั้งหมดกิเลสแล้วการกระทาก็ไม่ดีไม่ชัว่วเป็นศัพท์ว่ากิริยาตนาเด็งในตรงนั้นแหละในแง่ของความเป็นจริงไม่ใช่กิเลสทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่าถ้ายังดับอวิชชาไม่ได้ก็ชื่อว่ายังอยู่ในกระบวนการของกิเลสอยู่นั่นเองการกระทาก็ต้องเป็นกรรมทําดยแรงดันของกุศลมากมันก็ เป็นบุญกุศลมากเนี่ยก็ทําให้พระภูมิมันดีขึ้นนหะมายความอากุศลน้อยแต่ทีนี้ถ้าอากุศลมากก็หมายความอากุศลน้อยคือพระภูมิมันจะหยาบลงไปเรื่อยๆคือประณีตขึ้นนะแล้วก็หยาบลงหยาบลงไปตามลําดับเพราะฉะนั้นไอ้ขันร่างกายร่างกายของมนุษย์เนี่ย ที่เราประสบกับทุกขเวทนาที่มีวัตฏะเป็นมูลเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนบ้างเกิดเป็นอะไรบ้างแล้วก็ทุกนั้นก็ยิ่งหย่อนแตกต่างกันแต่ศาสตใดที่ยังมีวัตฏะมูลคือมูลคือวัตฏะนี่วัตฏะเป็นมูลอยู่เนี่ยมีกิเลสมีกรรมมีผลของกับชุดดกิเลสกรรมวิบาพกพูดง่ายวากิเลสกรรมวิบาก อีกในยนตหนึ่งท่านอธิบายว่าไปสนที่วิญญาณเนี่ยเหมือนชายผู้ประพฤติชั่วนามรูปซึ่งมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปซึ่งมีวิญญาณเป็นปัจจัยนะถ้าไม่มีวิญญาณก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่มันมันไม่ได้เกี่ยวอันนี้มันต้องพูดถึงมีวิญญาณคือการพูดเรื่องบาปเรงบุญเนี่ยมันต้องพูดถึงวิญญาณ หมายความว่ามีวิญญาณที่เป็นเจตนาให้ทำกรรมจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามก็ยังถือว่ามีวัตระเป็นมูลอยู่นั่นแหละเหมือนบาดแผลที่เกิดขึ้นแก่ชายคนนั้นเพราะถูกห อ, อกแทงเปลี่ยนการเกิดขึ้นแห่งเหตุแห่งทุกข์ไม่ประมาณต่างๆสำหรับวิญญาณ มีนามรูปเป็นปัจจัยโดยสามารถของโทษทันสามสิบสองประการนิพในพระสูตรนะศาสแดงว่าศาสที่สองประการตลอดถึงเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดชนิดมันมีมัน ม, ม, ม, มีคือสรุปแล้วเวลาอ่านดูเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในกรรมกรรมเป็นกำเนิดกับกรรมเป็นตัวเลี้ยงไว้กับกรรมเป็นเผ่าพันธเนี่ยนะ กรรมกรรมนที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นกาเนิดเนี่ยแต่เราไม่คือไม่นึกถึงตัวนั้ น, นก็นึกไม่ออกไปอยู่ได้ยังไงแต่ปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็มีให้เห็นในโลกมนุษย์เราเพียงแต่ว่าไม่ได้เจาะจงค้นศึกษาโดยละเอียดเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องหยุ่มหยิมเกินไปเพราะปัญหาใหญ่บางทีมันก็ตัดประเด็นออกไปได้ คนเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเองไม่ต้องไปสงสัยเรื่องอื่นแล้วเ ร, เราก็กลายเป็นคนดีเราก็ละความชั่วไปเองส่วนนรกสวรรค์จะมีไหมชาติหน้าจะมีหรือเปล่ามันไม่ได้แปลกอะไรคือสมมติว่า น, านรกสวรรค์ไม่มีแต่เราทำความดีในชาติปัจจุบันเราก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบัน ทีนี้ถ้านรกสวรรค์มีเราทําความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เอาทีนี้สมมติว่าไม่มีบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่ ม, มีแต่เราทําความดีแต่เราทําความชั่วนะฮะแต่เราทําความชั่วนะเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันก็เห็นกันอยู่ ตายไปแล้วนั่นเอาเถอะสมมติเราไม่มีก็คือก็พ้นไปแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่เราเชื่อว่ามีหรือไม่มีนะมันอยู่ที่เป็นกฎของธรรมชาติคือเขามีโดยกฎธรรมชาติของเขาอย่างนั้นคนจะไม่เชื่อหมดทั้งโลกกรรมก็ต้องให้ผลตามสมควรแก่เหตุเสมอไปคนเชื่อหมดทั้งโลกกรรมก็ให้ผลตามสมควรแก่เหตุเหมือนกัน เพราะนอย่าไปคิดเอาประเด็นที่ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะฮะกฎแห่งกรรมเราก็ถูกผักไสด้วยกฎแห่งกรรมมาถูกผักไสเสือ่อมใสนะขับใสกันมากี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นับกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะฉะนสมมติว่าเราทําความชั่วด้วยแล้วก็นรกสวรรค์ไม่มีด้วย เราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันจากน้าไม่มีโรคสวรรค์ก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วไปแต่มันเรื่องอะไรจะให้ตัวเองเดือดร้อนละ่ะเป็นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนปนัญหาที่ปรากฏอยู่ในสังคมที่เราได้รับรู้กันในแต่ละวันปนัญหาสังคมนะคระับปัญหาสังคมนั้นจะเห็นได้ว่าคือเรื่องเป็นนันมากที่มันมันไม่เป็นเรื่อง คือเรื่องไม่น่าจะเกิดแต่ทำไมต้องเกิดขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาหแก่ตัวเองเพราะเหตุนั้นพ ร, ระเถราจึงในบอกว่าภิกษุใดเห็นวิญญาณเห็นวิญญาณอาหารนะอาหารคือวิญญาณแต่แก่วิญญาณที่ไปถือไปสนทีเนี่ย อีกอย่างหนึง่งบางทีก็หมายถึงว่าเราเห็นรูปความเสียงรมกลิ่นริ้มรสในแต่ละขณะนัะ้นก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เน้นไปที่ตัววิญญาณที่ไปถือไปสนฉิบเป็นเช่นกับด้วยการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มอย่างนั้นพิสูจน์นั้นจะคลายความไข้ในวิญญาณอาหารได้ นี่เป็นการอธิบายความหมายในการเปรียบเทียบด้วยยาดด้วยการถูกแทงด้วยขอกสามร้อยเล่มคือวิ ญ, ญญาณอาหารก็ขึ้นอยู่กับตรงมุ่งหมายในในตรงไหนคือตอนเป็นวิถีวิญญาณก็ได้วิญญาณอาขันนี้ก็ได้แล้วก็เป็นวิญญาณที่ไปถือไปสนชิพร้อมด้วยกิเลสกับกรรมก็ได้อันเดียวกันนั่นแหละก็มีวัตรเป็นมูลด้วยกัน ท่นบอกว่าเธอเมื่อคลายความไข้ในอาหารเหล่านี้อย่างนี้ว่าชื่อว่าย่อมกําหนดรู้อาหารทั้งสี่อย่างเมื่อกําหนดรู้อาหารเหล่านั้นแล้ววัตถุที่จะกําหนดรู้ทั้งหมดก็เป็นนั่นกําหนดรู้แล้วเหมือนกันหมายความมาจับประเด็นได้ไดๆคล้ายๆกฏใจลักนี่นะกฏใจลักเที่ยนบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตา ถ้าเรารู้สักอย่างอ่ะเรารู้ในเราเราเห็นในตัวไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นหน้าตาก็ได้อย่างอื่นเราก็รู้ไปหมดแหละอย่างยกตัวอย่างที่รู้เจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญญวคีตอนแสดงอนัตตลกนัสูตรเนี่ยอุเทศบทตั้งที่ทรงยกขึ้นมาแสดงนี่รับสั่งว่ารูปังพิกเวนตา ดูก่อนพิสูนทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาประเด็นต่อไปก็คือตั้งประเด็นขึ้นมาให้เห็นว่าถ้ารูปเป็นอันตาอย่างที่เราเชื่อถือแล้วเนี่ยรูปมันมันต้องสั่งการได้บังคับได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าเหนื่อยนะเราก็สั่งอะไรมไม่ได้เลยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้านัน เพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นอนัตตาแล้วก็สัตว์จึงไม่ได้สามารถตั้งความหวังขอให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นวิญญาณเป็นอย่างนั้นอเวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ไปตั้งความหวังอะไรไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี่ก็เป็นเป็นหลักที่สอนให้เห็นว่าธรรมะนี่เขจะยึดโยงกันยึดโยงกันอยู่ตัวเห็นอย่างหนึ่งเราก็เห็นอีกอย่างหนึ่ง อย่างสูตรของทางตักกศาสตร์ที่เขาบอกว่าคนทุกคนต้องตายในกอเป็นคนพระฉนั้าในกอต้องตายเราเห็นคนเดียวพอแล้วไม่ต้องไปดูทั้งโลกหรอกตายทางนั้นแต่ทีนี้พอบอกเปิดเมื่อตายท้งนั้นเราก็จะเข้าใจว่าสปปรรพชีวิต ท, ทั้งหลายในโลกนี้จะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามล้วนมีความตายเป็นที่สุด จบลงที่ตายหมดเลยไม่ต้องไปนั่งนับหรอกหนึ่งสองสามสี่เสียเวลาหรอกเราจะเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์ตที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมันล้วนแต่จะต้องตายไปเป็นปกติธรรมดาของมันถ้าหากว่าเราจับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะเข้าใจประเด็นนื่นไปเรื่อย ๆ, อยๆแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายกำหนดรู้กวลิยการลาหารแล้วราคะที่อาศัยเป็นจากามคุณราคะที่อาศัยเป็นจักามคุณเป็นจากรมคุณในที่นี้ไม่ได้เน้นแต่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเป็จักามคุณทั้งนั้นคือสิ่งที่เป็นรูป ก็เป็นกรรมคุณสิ่งที่เป็นเสียงก็เป็นกามคุณสิ่งที่เป็นกลิ่นก็เป็นกามคุณสิ่งที่เป็นรสก็เป็นกามคุณสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวทั้งหลายนี่ก็เป็นกามคุณตลอดถึงอารมณ์ที่ใจเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอํานาจความใคร่ความพอใจความปักใจความฝังใจเก็บเอาไว้ภายในใจก็เป็นพวกกามคุณด้วยกันทีนี้ ในกรณีของอาหารเนี่ยให้เราสังเกตอาหารมันมีต่้งหลายเรื่องนหนึ่งรูปอาหารสองเสียงเวลาเราเคี้ยวอาหารเหล่านั้นนือเราจะเห็นว่าบางอย่างเราก็ต้องการนิ่มๆบางอย่างเราต้องการกรอบๆบางอย่างเราก็ต้องการเหนียวๆอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็แสดงว่าความต้องการในอาหารที่จะให้สัมผัสคือด้วยการ สัมผัส ด, ด้วยตาเป็นต้นนะนะครับก็ต้องการแตกต่างกันาทางที่อาหารจริงๆมันเนื้อหาของอาหารมันก็คือบรรเทาความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้มันก็จบแล้วดังนั้นที่เรารับประทานอาหารมันก็รับประทานด้วยอำนาจ กิเลสคือตันหาหรือโลภะเนี่ยนะแต่ในที่นี้ทรงใช้กรรมาการมาราคะทำไมจึงใช้การมมราคะเพราะว่ากำลังพูดถึงเรื่องการปฏิบัติที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองเอถ้าเรามีปรนปรือตัวเองด้วยอาหารที่มีโอชารสมากๆเนี่ย เมื่อมันย่อยไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันมีพลังเหลวเฟือ่อมันก็เกิดความกำหนัดคือความต้องการในทางเพศแล้วมันก็จะออกมาในการผิดศีลข้อการเมธสุมิชาจาร์เอารักษาไว้ได้ระดับการเมสมิชาจาร์เอา้าอาจจะผิดศีลข้ออภรรมและผิดศีลข้ออืน่นอีกเป็นนั้นมากนะฮะคือศีลห้าแต่ละข้อยังย่อยออกไปอีก แต่ละข้อเนี่ยเป็นสิบสิบข้อนะฮะเป็นสิบสิบข้อมัใช่เลมันก็ไปยึดโยงอยู่กับชีวิตยึดโยงอยู่กับทรัพย์ยึดโยงอยู่กับคู่ครองยึดโยงอยู่กับสื่อสารยึดโยงอยู่กับสิ่งเสพมันก็ไปยึดโยงอยู่นั่นแนหะดังนั้นจึงรับสั่งว่าถ้าภิกษุกําหนดรู้กับวลริยกัอาหารได้ว่ามันก็สักแต่ว่าอาหารที่ยังอัตภาพไปเป็นไป ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อเล่นเพื่ออรเพื่ออริตร่อยเพื่ออ้วนเพื่อพีเพื่อโอ้อวดเพื่อรลนปลือตัวเองอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ใช่เนื้อหามันแต่รับประทานอาหารเหมือนกับเราใส่น้ำมันรถอะให้รถมันเล่นได้ก็แล้วกันให้รถมันเล่นไปได้ก็แล้วกันน้ำมันอะไรก็ได้แต่แน่นอนรถต้องเล่นได้ ไม่ใช่ว่ารับประทานอาหารก็ตั้งเยอะแล้วไม่อิ่มอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วประการต่อไปก็ได้เน้นว่าเมื่อกำหนดรู้ราคะที่อาศัยเบญจาการมาคุณแล้วจะไม่มีสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำให้อริยะสาวกมาสู่โลกนี้สังโยชน์นี้หมายความ่าต้องออตั้งทิบเนะฮะ คือเวลาส่งแสดงนี่ลักษณะอย่างที่เคยบอกไว้เสมอว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสรงสแสดงเนี่เรื่องอะไรก็ช่างเถอะมันจะเป็นบันไดก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสู่อรหัตคือบรรลุอรหันต์เลยก็เรียกว่าทรงสแสดงธรรมที่มีพระอรหันตเป็นยอดหมายความว่าคนก็จะมุ่งไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โดยเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้ เริ่มตเดินจะสีลข้อที่หนึ่งก็ได้ที่สองก็ได้ที่สามก็ได้ที่สี่ก็ได้ที่ห้าก็ได้เริ่มจะไหนสักข้อก่อนแล้วมันจะซึมซับไอ้ส่วนดีเข้าไปด้วยกันพวกนี้พวกเนี้อมันมันมันธาตุเดียวกันอะมันเข้ากันได้แต่ค้ากับธาตุน้ําในโลกนีเห็นไหมมันเข้ากันได้หมดทั้งโลกน้ําำหลายไม่ใช่น้ํามันนะฮะน้ํามันกับน้ํามันก็เข้ากันได้น้ําธรรมดากับน้ําธรรมดาก็เข้ากันได้ น้นธรรมดาน้ำแข็งาธาตุเดียวกันก็เข้ากันได้เพราะนั้นธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือมันเป็นธรรมธาตุกับเป็นอธรรมธาตุแล้วก็ถ้าท่านละสังโยชน์ได้หมดสังโยชน์ก็คือทัศนสิบก็หนึ่งสักยะทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตน วิจิกริษาความเครือบแแปลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจจิกขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตและในกฎของปัจจยการศีลรัฐธรรมาฎการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ยึดมัน่นถือมัน่นเกิด อ, อหังการมะมังการเกิดมาส่วนใหม่ส่วนมากก็จะเป็นอหังการในตัวเองนะฮะแล้วก็มะมังการในลทัทธิความเชื่อของตัวเอง แต่รเราจะพบว่าเวลาเนี้ยมันมีลทัทธิอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะเลยถามว่าพูดเตือนให้สติเขาได้ไหมมันก็พูดได้แต่เขาไม่ฟังอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกเขาได้ประโยชน์จากการนับถืออย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นแนวความคิดแบบเนี้ยแนวแบบสันชัยอะ่ะ แต่สัญชัยปริภาชกอาจารย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกับบริวารสองห้าบท่านเนี่ยพระสารีบุตรไปชักชวนให้ท่านตอนนั้นพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับพระโมคคัลลานะก็เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ยังแต่งชุดของปริภาชกอยู่เพราะกำลังเตรียมตัวจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ต่อไปชักชวนเห็นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่เรื่องเป็นได้ง่ายแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะชวนอาจารย์ไปด้วยเป็นลูกศิษย์กตัญญูนะฮะลูกศิษย์กตัญญูก็ต้องการชวนอาจารย์ไปด้วยแต่สรงชายท่านก็ติดกับรัฐที่ของท่านเพราะท่านมีอยู่มีกินมีรูหรามีบริษัทบริวารตั้งสี่ห้าร้อยเป็นพันนะฮะมีบริวารเป็นพันเลย อาสมของท่านมีปริพาชกเป็นพันนึกดูว่าประชากรที่เลี้ยงดูปริพาชกถึงพันท่านเนี่ยมันจะกี่ร้อยลังคางเรือนก็แสดงว่าคนมีคนนับถือเป็นพันเนี่ยนะไกลก็ตามแล้วมีคนนับถือเป็นพันเนี่ยเขาไม่ยอมทิ้งละที่กังข้อหลอกเพราะก็อยู่ในโหลพระ ได้รับผลประโยชน์อิ ม, มิพิมานไม่เป็นไรก็อยู่ได้สบายๆตัวนี้เราสามารถจะเทียบเคียงอะไรต่างๆได้เยอะทั้งๆที่รู้แสนรู้วมเหลวไหลเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องไร้สาระเคยพูดเคยเตือนเคยให้สติเคยคุยนะฮะแบบสังเสวนากันก็ไม่ไปตำหนีตีเตียนอะไรหรอกเพียแต่ตั้งประเด็นให้เขาคิดนะฮะตั้งประเด็นให้เขาคิดแม้แต่สมัย ยาตุคา์มราเมาเทศเนี่ยก็พูดกับคนทางใต้เยอะที่รู้จักพบกันแล้วก็ตั้งประเด็นให้คิดนะคือคือเราไม่ท่วงตีงอะไรเลยแต่ตั้งประเด็นให้คิดออกเขาไม่เถียงอะ่ะแต่เขาก็ไม่ทิท้งอ่ะผลสุดท้ายก็เสื่อมไปเองเดี๋ยวนี้ก็ยังถามอยู่เจอคนปักใต้ามาคนโดยเฉพาะคนที่นครในี่มา เขาบอกว่าดับสนิทเลยก็าหายหายไปเลยนี่ก็คือเราอย่าลืมว่าคนที่เขาได้ประโยชน์นะบางคนไป้อยอยล้านนะอ่ะจะว่ า, างไงค้าขายอะไรที่มันได้ขนาดนั้นนะเงินนันเขาได้แน่คลังหลือไปคลังไม่รู้ก็ได้แน่ลนะ ทีนี้สามารถมองเมาห้คนเชื่อได้มากมากเขาประได้ประโยชน์แน่นอนทุกอย่างนี่ขึ้นเขาหมดเลยบริวารสักเท่าไหรท่ทางที่ไปเจอหลักฐานต่างๆ่ว่าเออที่เราเชื่อถือมาเราฟังมาเราเข้าใจมาอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเนี่หลักหลักการเราเนี่ยพระเจ้าก็ทรงสอนเราไม่ถูกต้องแ ต, แต่แต่ไม่ยอมทิ้งคร ตรงนี้เ็เรียกว่าศีลพัฒนประมาตคือถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติ่ตถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจมีอิทธิพลแล้วพวกหนังสือนี่ก็ออกมาเยอะจริงๆเดเนียวันก่อนก็ได้รับนิมนต์ไปที่วัดเทพศรินก็มีคนเอาหนังสือมาแจกก็รับแล้วก็มาเปิดดูที่กุติโอหนังสือเรื่องเครื่องรางของคลังทั้งงานเลย มีพิธีกรรมปลูกเสกถ่ายรูปสีสีด้วยนะฮะรูปสีสีด้วยและส่วนใหญ่พระเราก็ไปอยู่ในโครงสร้างของรูปแบบพิธีกรรมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าทําไมเราอยู่ในาศาสนาที่เป็นสวัาดาิธรรม คือเป็นธรรมะที่พระเจ้าส่งแสดงด้วยผลของการสัสรูมันสุดๆดแล้วจะไม่มีใครรู้เกินยิ่งกว่านี้แล้วแล้วไม่มีทางที่จะช่วยคนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เกินอริยมรรคไปแล้วแต่เราก็ไม่ยอมเดินตามอริยมรรคเราก็ไปเลือดไต้ขอบสะอยู่เนี่ย เห็นไหมมันเหนี่ยวรังมนุษย์เอาไว้ไม่ให้ไปไหนเลยพวกนี้จะเหนี่ยวรังด้วยความรู้สึกว่านี่คือลัทธิของเราก็พยายามให้คนสืบต่อจนได้แต่คล้ายกับที่เขาเล่าอะไรพวกกระสือพวกอะไรเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นแล้วลําบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อกันอย่างนั้นนะ แต่ก็ต้องพยายามเอาลูกหลานตัวเองให้เป็นทายาทแล้วคนนั้นรับไปแล้วก็ต้องสร้างทายาทด้วยเอาลูกหลานตัวเองให้สืบต่อทั้งทั้งที่เป็นเรื่องเลวร้ายมากแล้วก็ทําลายคนดีๆไปนหนึ่งคนสมมุติว่าจริงตอนนั้นนะแล้วยังทําลายคนอื่นอีกแล้วพวกนี้จิงใจแคบใจแคบสีเรียกว่า อยากได้อยากมีอยากได้อยากใหญ่นะฮะอยากได้อยากใหญ่แนละ้วก็ใจแคบเป็นอาการของตัณหาอาการของมานะอาการของชิดชิดต่อไปก็เป็นกาลมาลาคา่ะความกำหนัดในเรื่องกาลมาคุณทั้งห้านั่นแหละถ้าทั้ ง, งหกนะแล้วก็ ปฏิฆะก็คือความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจแล้วก็ต่อไปก็รูปปราคะรูปปราคะอันนี้ถ้าระดับพระนาคามีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องรูปประชานะรูปประชาแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่แหละติดสยบติดกำนัตเพลินเพลินอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วก็ต่อไปก็มานะอุทาจฉาวิชา ในที่นี้สรงแสดงมาจนถึงเป็นพระราหารันแล้วข้อต่อไปก็เลาสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้ผัสสะหารแล้วเวทนาทั้งสามก็เป็นอันเธอทั้งหลายกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้เวทนาทั้งสามแล้วเราตถาคตกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยส า, าวกพึงทํำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ เอ้ยมเอามเอาเฉพาะปัษดอาหารอาหารคือผัดศัการกระทบกันระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณแล้วก็รวมกันสามอย่างเนี่ยนะวิญญาณอายตนาภายในอายตนาภายนอกรวมกันสามอย่างเรียกว่าผัดศัคือการกระทบเช่นตาเห็นรูปเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นทั้งวิญญาณมันเป็นทั้งผัดศัเกือบจะขณะเดียวกันแต่ว่ามันคนละขณะกัน วพันท่านจึงใช้คำทั้งสองคำช่วงแรกช่วงที่ตาเห็นรูปเป็นต้นนี่เรียกวิญญาณแล้วก็แป๊บเดียวนับไปทานออกจากนั้นก็เป็นผัสสะแล้วก็จะเป็นเวทนาจะเป็นตัณหาจะเป็นเดินไปเรื่อยๆเลยรวดเดียวไปถึงโน้นแถึงปลายทางครับเพราะนันจะแสดงให้เห็นว่าเวทนาทั้งสามที่ส่งแสดงในอนัตตลกนันันสตร ก็ทรงแสดงด้โครงสร้างเดียวกันว่าเวทนาไม่เป็นอัตตาเวทนาคืออะไรคือสุขคือทุกข์อทุกขกรรมสุขหมดแล้วนะหมดแล้วถ้าพูดโดยสรุปก็มีท่าเนีย่ยแต่พูดโดยพิสดารก็มีได้ตั้งร้อยแปดแต่ก็จับประเด็นเอาสักสามข้อไว้ก่อนก็พอแล้วตัวหลักมาอยู่ตรงนี้เองร่างเงามาอยู่ตรงนี้เอง ดังนั้นเมื่อกำหนดรู้วิญญาณได้ขนาดนั้นเห็นวิญญาณนะเห็นวิญญาณคือวิญญาณเป็นเจตสิกที่พระพุทธเาทรงสอนในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งจะกล่าวในสูตรต่อไปนะคือพระไตรปิฎกเล่ม น, นี้ยนึกว่าจะจบที่มหาสติปัฏฐานสูตรพระพุสติปัฏฐานาสูตร แล้วก็ใ้ไปขึ้นเรื่องอื่นถึงมันเบาหน่อยตรงนี้รู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานที่ติดตามเรื่องศาสนามาอย่างต่อเนื่องบางจุดจะยากต่อการทำความเข้าใจแล้วก็การพูดบังก็พูดไปเรื่อยก็ตามหลักการต่างๆหลักฐานต่างๆเราก็พูดไปเลยแต่ทีนี้ บางทีเีพอสะดุดแต่คนมันคิดไม่ทัน่าคิดไม่ทันเรื่องมันก็จะผ่านไปแต่ว่าก็มีคนสนใจจากการสังเกตตอนนี้ก็มีโยมสองคนผัวเมียเขาไม่มีลูกนะครัำงานบริษัทด้วยกันทั้งคู่ก็ได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องเทพการตมาที่ สถานีวิทยุวัดรวงแขแล้วก็ก็ไปฟังก็เกิดติดใจตอนนี้ก็มาลุยหาเทปก่อว่ัชรงไปอาจเป็นซีดีดีวีดีเผยแพร่แล้วก็คนที่ได้รับข่าวเผยแพร่เนี่ยก็ติดต่อมาเรื่อยนะติดต่อมาเรื่อยมาขอรับที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่คณะเดียวกันมาแล้ว หรือถ้าใครต้องการจะฟังที่มันพิสดารขึ้นไปแล้วก็บางเรื่องก็ต้องฟังซ้ํำนะฮะคือฟังครั้งเดียวบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือแกัอาตมาเองก็ไม่เข้าใจนะฮะบางทีเราก็ต้องอ่านเที่ยวหนึ่งอ่านอีกอ่านจะเกิดความเข้าใจแต่ยังไม่ถึงกับเห็นนะฮะเราต้องเห็นมันเห็นด้วยญาตแต่นี้มันก็รู้ด้วยสุตตามยะปัญญาอย่างมากก็จินตามัจจะปัญญา แต่ไม่ใช่เป็นผลจากการปฏิบัติโดยตรงเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยสาหัสทั้งนั้นเลยในภาคปฏิบัติเราลองสังเกตพระเจ้าทรงสแสดงอาหารเนี่ยว่าที่ยาวเหียดเลยว่าจะยาวเลยและในที่สุดมันมีจุดปัญจบอาหารทั้งสี่นั้นจะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ แต่มันจะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มรรคนิพพานคือบรรลุอรหัตเลยทุกข้อนี่นำไปสู่การบรรลุอรหัตเป็นพระหันได้มันเขาแสดงตามชนิดของอาหารแต่ว่าใช้อาหารเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้สัจจะของชีวิตอาหารนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย เป็นกระบวนการที่มีอยู่โดยธรรมชาติพระพุท ธ, พธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นจะมีแบบนึงเนี่ยตั้งแต่โลกมีสิ่งมีชีวิตมันก็มีเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไม่เคยเปลี่ยนสถ า, านะของแกแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นอย่างนั้นเองดังนั้นบอกพอมาเริ่มที่ ปัสสาหารหารคือปัสสะมันก็จะชัดเจนในเวทนาอย่าลืมว่าเวทนาในอยู่ในช่วงต่อไปของผัสสะอายตนะภายในอายตนะภายนอกรวมกันเป็นวิญญาณวินวิญญาณอายตนะภายในภายนอกวิญญาณกลายเป็นสัมผัสจากสัมผัสก็เป็นเวทนาทีนี้การจะเป็นเวทนาเนี่ยที่จริงมันมีอะไรอยู่คือไม่ไปย่อยย่อยอีกเที่ยวหนึ่งมันก็คงยุ่งมาก ท่านหลายลองสังเกตว่าเราสัมผัสอารมณ์ทางประสาทสัมผัสครั้งแรกเห็นด้วยตาก็ตามได้ ย, ยินด้วยหูก็ตามสูดมดมในจมูกก็ตามลิ้นลิ้นด้วยลิ้นก็ตามถูกต้องด้วยกายก็ตามหรือเนียวนึกตึกนึกด้วยใจก็ตามครั้งแรกเนี่ยเราจะนึกไม่ออกมันคืออะไรเราไม่รู้ไม่รู้เพราะในลองสังเกตว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามีคําว่าอะไรใครอะไรที่ไหน อย่างไรคําถามเราเนี่ยมันจะมีประจําวันเยอะมากยิ่งเรียนหนังสืออยู่ในชั้นเรียนแล้วก็หรืออาา่านหนังสือเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยตรงนี้จะไม่ถึงกับเกิดเป็นปัญญาพินิษฐ์พิจารณาอะไรหรอกเพราะั้นเราต้องสะสมข้อมูลที่เกี่ยวกับกาวลิงการาหารที่เกี่ยวกับวิญญาณาหารที่เกี่ยวกับผัสสาะหาร ที่เกี่ยวกับมโนสัญเจตนาอาหารเอาไว้แล้วก็เข้าใจที่ไปที่มาของเรื่องเหล่านั้นจนมองเห็นว่ามันก็เป็นศัก์แต่ว่าศักแต่ว่าอาหารเท่านั้นเองแต่ว่าเราเรือดร้อนทั้งหมดนะฮะเรงสังเกตเถอะทั้งทั้งสี่ข้อนั่นแหละนําปัญหามาสู่มนุษย์มากมายกายกอง เอาอย่างเดียวสับเบสบต า, าหารติติกาศา์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตยอยู่ได้ก็เพราะอาหารตรงนี้มันมีครบทั้งสี่อย่างอาหารเนี่ยมีครบทั้งสี่อย่างแล้วเรสั่งสั้นนิดเดียวเราสั่งไว้ในเอกาณิบาตอังคุตระนิการแต่เอาก็จริงก็เยอะเพราะมันคลุมทั้งหมดคลุมทั้งหมดอย่าง ยังมองถึงเรื่องต่างๆเราพูดถึงเรื่องสิทธิหน้าที่เวลานี้ให้เราลองสังเกตแต่ว่าออคนนั้นชอบใช้สิทธิชอบเรียกร้องสิทธิชอบแสวงหาสิทธิแต่ไม่ทําหน้าที่หน้าที่ที่ตนเองควรจะทําเนี่ยก็ไม่ทํา แต่ก็เรียกร้องสิทธิสารภาพอยา่างแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าสมัครตัวเองก็เรียกเรียกหาความยุติธรรมแต่ว่าที่ตัวเองไม่ทำหน้าที่เนี่ยคือไม่ยุติธรรมต่อสังคมแล้วคนก็ไม่ยอมคิดถึงตรงนี้แล้วเราก็มาพูดมาสอนที่ยาวเหยียดเลยเอาพูดเรื่องสิทธิกับหน้าที่ให้ได้ก่อนนะนะ สมมุติเราประเด็นของสิทธิกละหน้าที่มาสอนและเป็นตัวอย่างตัวอย่างเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนตอไปนี่ก็เขียนหนังสือได้เป็นเล่มเล็กเพราะมันจะไปรวมอยู่กับคําว่าสิทธิและหน้าที่หรือแม้แต่อะไรล่ะที่กราวสงครามฝรั่งเศสกราสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบปกุกะเคยเรียกร้องตอนนั้นสามอย่างหลังนี่ พราดรภาพแล้วก็เสรีภาพแล้วก็สมรภาพคือเราลืมไปว่าคนเราถ้ามีความเป็นมิตรกันได้คือมีพราดรภาพเนี่ยนะอีสองอย่างไม่ต้องเรียกหรอกมิตรกับมิตรมิตรกับมิตรเขามีท่าทีต่อกันจะต้องยอมรับนับถือสถานะภาคกว่งกันและกัน ไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงละเมิดทีนี้ในขณะเดียวกันไอเสรีภาพแล้วใครจะเบียดเบียนอะมันเป็นมิตรกันหมดอะเอาใครมาเบียดเบียนใครเห็นไม่มีคำเดียวตันนี้มีคำเดียวเท่านั้นเองคุณทำยังไงให้สังคมเขามีมิตรภาพกันให้เป็นมิตรกันเนี่ยเรื่องนั้เป็นเรื่องปีกยอยมานมาเอง มันเป็นอาการที่สืบเนื่องสืบเนื่องไปจากความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันเนี่ยคนเราเป็นมิตรต่อกันก็เรียกว่าเท่าไรเท่ากันแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะเสียสละให้แก่กันและกันทีนี้บางทีเราเอาไปพูดโดยไม่นึกคือให้ดูที่จิตนะนึกถึงธรรมะอะไรสักข้อให้ดูที่จิต แล้วเราจะเห็นทันทีว่าไอ้ตัวปัญหาหลักมันอยู่ตรงไหนล่ะตัวหาหลักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่อย่างที่พระเจ้าสอนเสร็จแล้วมาสรุปคําว่าอาหางการมามังการหมดจั ก, กรวาล น, นี้แล้วนะฮะแสนโกรธจั ก, กรวาลนี่หมดแล้วด้วยคำว่าอาหางการมามังการนั่นคือจับประเด็นได้ตอนนี้เราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยทรงยกมาสันส้นๆนะ แต่มันเป็นวิมักวิธีที่จะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานจนเป็นพระหันไปในที่สุดตุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียง่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี